ตอนที่แปดแสงที่ปรากฏในสมาธิใช้ประโยชน์ในทางไหนได้บ้างอำนาจจิตคืออะไรสิ่งสิ่งนี้จะมีจริงหรือไม่ความจริงเรื่องเหล่านี้รู้ได้โดยไม่ยากเลยถ้าหากเรายอมรับว่าอำนาจที่บังคับควบคุมให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานก็คืออำนาจจิตหรือพลังจิตนั่นเองเรื่องนี้ มีหลักฐานชัดเจนในคำพีกล่าวคือในหลักของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในคืนวันวิสาขานั้นได้กล่าวไว้ว่ากายวิญญาตและวจีวิญญาตทั้งสองนี้มีจิตเป็นสมุปฐานคำว่ากายวิญญาตแปลว่าการเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมทางกายที่มีความหมาย เช่นการเต้นของหัวใจซึ่งอธิบายได้ว่าเต้นเพื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นว่าจีวิญยัตแปลว่าการเคลื่อนไหวทางวาจาที่มีความหมายซึ่งก็หมายถึงการพูดนั่นเองจากหลักฐานอันนี้แสดงว่าการเคลื่อนไหวทุกอย่างภายในร่างกายหรือการทํางานทุกอย่างภายในร่างกายซึ่งรวมทั้งการเคลื่อนไหวไภายนอกเช่น การยกมือยกเทา้าการสัร่นศีรษะเหล่านี้ก็เรียกว่ากายวิญญาตพฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากจิตเพราะสิ่งที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกกันว่ากระแสประสาทที่ไปบังคับอวัยวะต่างๆในร่างกายให้ทํางานนั้นก็คือกระแสจิตนั่นเองส่วนการพูดซึ่งเรียกว่าวจีวิญญาต น, นเห็นได้ชัดแล้วว่าเกิดจากจิตแน่นอน เพราะคำพูดทุกคำมีความหมายคนเราคิดอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นแม้ในบางกรณีจะเห็นว่าพูดไม่ตรงกับใจคือในใจคิดอย่างหนึ่งแต่พูดออกมาอีกอย่างหนึ่งแต่ถึงกระนั้นก็หมายความว่าคำพูดอ น, นันก็เกิดมาจากความคิดเหมือนกันแต่เป็นความคิดที่หลอกลวงอันหนึง่ง อำนาจจิตหรือพลังจิตนั้นมีความเข้มแข็งและมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงไรก็ขอพิจารณาดูจากหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปซึ่งหมายความว่าร่างกายซึ่งครั้งแรกก็เป็นเพียงจุดเล็กๆอยู่ในมดลูกของแม่ซึ่งมองดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ครั้นแล้ว ก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาจากโลหิตของแม่ที่เขาไปหล่อเลี้ยงจนเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แล้วคลอดออกมาและเจริญเติบโตมีชีวิตอยู่ได้จนทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยอำนาจจิตและอำนาจจิตหรือพลังจิตก็มีอยู่เสมอตลอดเวลาเพราะอวัยวะต่างๆของเรามีการเคลื่อนไหวมีพฤติกรรม มีการทำงานอยู่เสมอตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งตายซึ่งการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่สมองและประสาทเป็นตัวการไปบังคับควบคุมกระแสประสาทที่วิ่งไปมาตามเส้นประสาทต่างหากที่เป็นตัวการไปบังคับควบคุมและเพราะเหตุที่กระแสประสาทก็คือกระแสจิตนั่นเองและโดยธรรมดา จิตย่อมมีรังสีออกจากตัวมันเองเสมอฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิดีพอสมควรจึงสามารถมองเห็นรังสีที่ออกจากตัวเราได้เสมอโดยเฉพาะก็คือในเวลาเข้าสมาธิหลับตาจะมองเห็นแสงสว่างภายในใจของตนทุกคนแต่จะไม่สามารถมองเห็นรังสีของคนอื่นเว้นไว้แต่ว่า จะมีสมาธิสูงถึงขั้นได้ทิพยจักสุจึงจะสามารถมองเห็นรังสีหรือแสงที่แผ่ออกมาจากจิตของคนอื่นได้ด้วยลักษณะของรังสีหรือแสงที่ออกมาจากตัวคนนี้จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยใจคอหรืออุปนิสัยต่างๆและยังสามารถบอกให้รู้ถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อันมีอยู่ในร่างกายของคนคนนั้นอีกด้วยคนที่สามารถพูดให้คนอื่นเชื่อและทำตามได้หรือเมื่อขอร้องหรือต้องการให้คนอื่นทำอะไรเขาเป็นต้องทำตามเสมอขาดขืนไม่ได้คนประเภทนี้ก็คือคนที่มีอำนาจจิตเหนือคนอื่นและนี่ก็คือตัวอย่างธรรมดา ที่เราพบเห็นหรือเป็นการอยู่เสมอในชีวิตประจำวันและถ้าหากใครจะสามารถบังคับจิตของคนอื่นให้เป็นไปตามความปรารถนาของตนได้ทุกอย่างคนนั้นก็จะประสบความสำเร็จทุกอย่างแต่ก็ไม่เคยปรากฏว่าใครสามารถบังคับจิตของคนอื่นได้ทุกอย่างเพราะแม้แต่พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชา เจ้านายซึ่งคนเหล่านี้อยู่ในฐานะที่จะบังคับคนของตนให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้แต่ถึงกระนั้นก็พบว่าลูกที่ไม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ก็มีแม่น้อยสิทธิ์ที่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ทําตามที่ครูบาอาจารย์สั่งก็มีลูกน้องที่ไม่ทําตามผู้บังคับบัญชาก็มี แต่บางคนก็สามารถบังคับคนอื่นได้ดีก็มีในกรณีอย่างนี้ขอผู้อ่านอย่าได้พิจารณาแต่ในแง่ของคำพูดตัวหนังสือหรือกิริยาท่าทางที่แสดงออกเท่านั้นอย่าลืมว่าจิตมีโค ร, ร้าเพราะฉะนั้ น, นกลไกของการที่จะบังคับร่างกายของตนหรือบังคับจิตใจของคนอื่นได้เพียงายนั้น มันอยู่ในใจของแต่ละบุคคลและอย่าลืมนึกถึงรังสีกระแสจิตที่แผ่ออกมาทุกครั้งในขณะที่เราพูดหรือแสดงกิริยาอาการออกมาเพราะรังสีที่ว่านี้ก็ย่อมมีผลต่อคนอื่นอย่างเดียวกับที่เราใช้คำพูดหรือแสดงกิริยาอาการเหมือนกันอย่าลืมว่า ซื่งในการติดต่อระหว่างจิตของตนกับของคนอื่นนานไม่ใช่มีเฉพาะแต่คำพูดตัวหนังสือและกิริยาอาการต่างๆที่แสดงออกเท่านั้นแต่ยังมีกระแสจิตที่ปรากฏออกมาในรูปของรังสีต่างๆซึ่งสามารถจะไปดนใจหรือไปบังคับจิตของคนอื่นได้ด้วยตัวอย่างอีกประเภทหนึ่งซึ่งจะทำให้มองเห็นชัดว่า จิตมีอำนาจหรือมีพลังยิ่งใหญ่ขนาดไหนและเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดกฎเกณฑ์ต่างๆของชีวิตและของวัตถุโดยทั่วไปด้วยนั่นก็คือปรากฏการณ์ต่างๆในโลกทิพย์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทิพย์เช่นร่างกายเสื้อผ้าอาหารที่อยู่สิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งมีทั้งแผ่นดินแม่น้ำภูเขาต้นไม้สัตว์ทุกประเภท สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากอํานาจจิตทั้งสิ้นและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยผู้ที่เข้าใจเรื่องโลกทิพย์หรือโรคแห่งโอปะปะติกะดีย่อมจะเข้าใจและเชื่อได้อย่างสนิทใจด้วยว่าเรื่องอภิญญาต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และพระองค์ก็ทรงทําได้ด้วยนานเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งสิ้นเช่นเรื่องอิทธิวิธิ หรือมโนมยิทธิเช่นการไปไหนมาไหนได้ด้วยกายทิพย์หรือการแสดงที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติเช่นการเดินบนน้ําการลุยไฟการอยู่ยงคงกระพันการรักษาโรคด้วยอํนานาจจิตตลอดทั้งเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์การอ่านใจคนอื่นได้การระลึกชาติได้สิ่งเหล่านี้ ซึ่งคนส่วนมากไม่เชื่อว่าเป็นไปได้นั้นความจริงเป็นเรื่องเป็นไปได้ทั้งสิ้นเพราะจิตหรือวิญญาณก็คือพระเจ้าที่สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกดังพุทธพจน์ที่ว่ามาโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสาเร็จมาแต่วิญญาณและพุทธพจน์อีกบทหนึ่งว่า โลกหมุนไปตามจิตวิวัฒนาการไปตามจิตเพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามอานาจของสิ่งสิ่งเดียวคือจิตอันหนึ่งคําว่าจิตก็มีโครงสร้างเหมือนกับร่างกายนั้นหมายความว่าโดยธรรมดาสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างซึ่งไม่เฉพาะแต่ร่างกายของมนุษย์เท่านั้นที่เกิดจากจิตแม้แต่พืชและสัตว์ทุกชนิดก็เกิดจากจิต วิธีที่เราจะดูว่าจิตมีโครงสร้างอย่างไรก็ขอให้พิจารณาดูจากคำพูดหรือตัวหนังสือหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเครื่องจักรต่างๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของจิตของคนที่พูดที่เขียนที่ทำออกมาทั้งสิ้นในทานองเดียวกัน ร่างกายหรือตัวตนของสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงก็คือการแสดงออกซึ่งโครงสร้างของจิตในทางวัตถุนั่นเองอย่าลืมว่าพระเจ้าที่สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกนั้นก็คือจิตและโดยธรรมดาจิตหรือวิญญาณก็ไม่ใช่มีเฉพาะแต่ในสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นแม้แต่สิ่งที่ไร้ชีวิตเช่นแร่ธาตุต่างๆ สิ่งเหล่านี้ก็มีวิญญาณแต่เป็นวิญญาณคนละประเภทกับวิญญาณในสิ่งที่มีชีวิตเพราะเหตุที่ในวัตถุที่ไร้ชีวิตก็มีวิญญาณนี่แหละผู้ที่มีอำนาจจิตสูงมากจึงสามารถบังคับวัตถุให้เป็นไปตามความประสงค์ก็ได้เช่นทําให้วัตถุเคลื่อนไหวได้บังคับเหล็กให้อ่อนหรือให้งอก็ได้สะเดาะกุญแจได้ จับเหล็กหรือรูดโซ่ที่กำลังร้อนจนแดงได้หรือในบางกรณีซึ่งฟังดูอาจจะเห็นเป็นเรื่องนิยายเช่นบังคับให้เกิดลมได้บังคับให้เกิดไฟไหม้ได้หรือไฟดับได้บังคับให้เกิดฝนได้เรื่องในทำนองนี้อย่าเพ่งปฏิเสธไม่เชื่อก็ฟังไว้ก่อนเพราะอะไรที่เคยคิดกันว่าเปยนไปไม่ได้ แต่แล้วต่อมาก็ปรากฏว่าเป็นไปได้นั้นมีตัวอย่างให้เห็นมากมายแล้วข้อความต่างๆเท่าที่เขียนมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นั้นความจริงข้าพเจ้าเคยเขียนและอธิบายไว้แล้วหลายตอนที่ต้องนำมากล่าวซ้ำอีกก็เพื่อต้องการจะให้ผู้อ่านได้ทบทวนอีกครั้งวิธีทําก็คือ เก็บใจความสำคัญสำคัญของแต่ละตอนมาสรุปให้เห็นถึงความหมายที่เกี่ยวโยงถึงกันและเท่าที่สรุปมาให้ดูในตอนนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าอำนาจจิตคืออะไรจิตมีอำนาจหรือมีอิทธิพลมากมายขนาดไหนและโดยปกติอำนาจจิตได้แสดงบทบาทออกมาอย่างไรในชีวิตประจาวัน คนที่ต้องการจะสร้างอำนาจจิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือต้องการจะเข้าใจว่าทำไมคนบางคนจึงได้มีอำนาจจิตสูงนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจข้อความที่สรุปมาทั้งหมดนั้นให้แจ่มแจ้งความเข้าใจอันแจ่มแจ้งและเชื่ออย่างสนิทใจในหลักวิชาดังกล่าวมานั้น อันนี้คือพื้นฐานอันสาคัญยิ่งในการสร้างพลังจิตอย่าลืมว่าคนที่จะสร้างอะไรได้เป็นผลสําเร็จเช่นสร้างวิทยุหรือโทรทัศน์หรือเครื่องจักรกลใดๆก็ตามสําเร็จสมความปรารถนานานก็คือคนที่เข้าใจกฎเกมฑ์ต่างๆของสิ่งเหล่านั้นดีมากและจากตัวอย่างต่างๆในชีวิตประจําวัน ซึ่งเราก็ได้ใช้อํานาจจิตกันอยู่เสมอนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการสร้างพลังจิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆนั้นเป็นของจําเป็นแน่นอนและจําเป็นสําหรับทุกคนด้วยอันหนึง่งการสร้างพลังจิตให้กับตนเองนั้นยังดีกว่าการสร้างพลังทางร่างกายอย่างมากมายอีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะ การสร้างพลังทางกายซึ่งทำการโดยวิธีรับประทานอาหารดีๆยาดีๆและมีการออกกำลังกายอยู่เสมอและออกกำลังโดยวิธีที่ถูกหลักเทคนิคด้วยก็ตามถึงแม้พลังทางร่างกายจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วมันก็มีขีดจำกัดเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายแก่ชราหรือเป็นโรค พลังทางร่างกายก็จะค่อยๆหมดไปจนกระทั่งในที่สุดไม่มีแรงเหลืออยู่เลยและแล้วก็ต้องตายไปส่วนการสร้างพลังให้กับจิตของตัวเมื่อเราพยายามสร้างขึ้นอยู่เรื่อยๆพลังก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีขีดจำกัดว่าเมื่อไหร่จึงจะสร้างเพิ่มขึ้นอีกไม่ได้แม้ว่าเราจะรู้สึกว่า พลังจิตของเราตกต่ำได้ในบางโอกาสเช่นในเวลาเจ็บป่วยหรือในเวลาร่างกายอ่อนเพลียหรือในเวลาเกิดความผิดหวังประสมอารมณ์ที่ทำให้เกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายแต่ก็ขอได้โปรดสังเกตว่าพลังจิตที่ตกอยู่ในโอกาสเช่นนี้นั้นไม่ได้เป็นกับคนทุกคน แม้คนที่เป็นก็เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นไม่ใช่เป็นตลอดไปถ้าท่านเข้าใจคำว่าจิตหรือวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่สูญไปพร้อมกับร่างกายที่ตายและเข้าใจอีกว่าคุณสมบัติต่างๆของวิญญาณซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าเจตสิก น, นั้นก็ไม่สูญไปพร้อมกับร่างกาย แต่จะติดตามวิญญาณไปทุกขนทุกแห่งเช่นการที่คนเราเกิดมามีอุปนิสัยใจคอไม่เหมือนกันมีระดับสติปัญญาไม่เหมือนกันมีโชคชะตาวาสนาไม่เหมือนกันซึ่งความไม่เหมือนกันนี้ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วอันนี้คือข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าวิญญาณไม่สูญ คุณสมบัติของวิญญาณก็ไม่สูญฉะนั้นในเมื่อเราพยายามสร้างพลังจิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆพลังที่ว่านี้ก็ย่อมจะมากขึ้นเรื่อยๆและถึงแม้เราจะตายแล้วเกิดมาอีกพลังที่เราเคยสะสมไว้ตั้งแต่ชาติก่อนๆก็กยังมีอยู่ไม่สูญไปเหมือนกับพลังของร่างกายอย่าลืมว่าข้าพเจ้าเคยเขียนเอาไว้แล้วว่า คนที่จะมีอำนาจจิตบังคับคนอื่นได้ดีหรือสามารถจะฝึกให้เป็นคนที่สามารถสะกดจิตคนอื่นได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ใครๆก็ฝึกได้ทั้งนี้ก็เพราะคนที่จะมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมนั้นจะต้องมีเข้ามาแล้วตั้งแต่เกิดนั่นก็แปลว่าเขาได้เคยฝึกฝนในทางนี้มา จนกระทั่งมีพื้นในทางนี้มามากแล้วตั้งแต่ชาติก่อนๆคนที่มีวิพื้นมาเลยก็ฝึกได้แต่ต้องใช้เวลาหลายชาติฝึกในชาติเดียวไม่สำเร็จอันหนึง่งคนที่ต้องการจะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นสามารถบังคับคนอื่นให้พูดหรือให้ทำอะไรก็ได้หรือบังคับให้หมดความรู้สึกที่เรียกว่าสะกดให้หลับ แล้วสั่งให้ทำอะไรหรือให้เป็นอย่างไรก็ได้นั้นข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิดีซึ่งจะดีแค่ไหนก็ให้สังเกตดูจากแสงสว่างที่ปรากฏในใจหรือให้สังเกตดูมโนภาพที่สร้างขึ้นในใจถ้าแสงสว่างนั้นมีมากหรือเห็นมโนภาพได้ชัดมากก็แปลว่าสมาธิดีมาก และเมื่อสมาธิดีมากอำนาจในการบังคับก็ย่อมจะมีมากตามส่วนแต่ถ้าหากแสงสว่างมีน้อยหรือมโนภาพเห็นไม่ค่อยชัดก็แปลว่าสมาธิไม่ค่อยจะดีนักและอำนาจในการบังคับก็ย่อมจะน้อยไปด้วยฉะนั้นหลักสำคัญของการมีอำนาจจิตจึงอยู่ที่จะต้องพยายามฝึกสมาธิให้ดีแต่ก็อย่าเข้าใจว่า คนที่มีสมาธิดีจะต้องมีอำนาจจิตบังคับคนอื่นได้ดีเสมอไปเพราะโดยธรรมดาคนที่จะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นจริงๆนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นอีกหลายอย่างเช่นจะต้องเป็นคนมีนิสยัยทำอะไรทำจริงมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำไม่โลเลจับจดเป็นคนมีนิสัยกล้าหาญ ไม่กลัวสิ่งใดง่ายๆและไม่ใช่คนที่ขี้สงสยัยหรือระแวงอะไรง่ายอย่างนี้เป็นต้น